ก็ไม่ค่อยออมาทำวัดเพราะไม่มีเสียงแต่เวลานี้รู้สึกว่าดีขึ้นสักหน่อยเป็นเวลาสองปีเสียงหมดไปถ้ามาคืนมาได้ก็ดีเนาะดีวาฮะฮไอคีเปนหนกันหรดัตรน่ะฮะ กับบ้านกับช่องแล้ว น, น, นี่บ้านอยู่หรือพวกเรานักปวดเอา <c oughs> ออกปวดจากเรือนไม่เจี่ยวข้องด้วยบ้านเรือนแล้วนี่เรานักปวดไม่ได้ห่มผ้าขาวห่มผ้าของก็เป็นนักปวดตด้ดำลีออกมาอะไรที่เป็น ครอบครัวที่คุมไว้ครอบครัวมันคุมไว้ครอบคือคุมไว้ครัวคือศพให้มีแต่ศพแต่โคกครอบครัวเป็นอย่างนั้นถ้าใครรับเรียองออกมาจากครอบครัวถือว่าออกบวช <c oughs> ได้มือกันแต่เพระใน ใ, ใจ ตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปฟังธรรมตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปสวดพระสูตรตอนเช้าตอนเย็นก็คิดจะไปสวดพระสูตรแล้ ว, ว่าธรมาธรมวัชเช้าธรรมวัชเย็นเป็นแบบฉบับอย่างนี้สำหรับวัดปวดไม่ใช่พิธีเป็นแบบฉบับได้เปลี่ยนมาแล้ว แล้วก็ฟังธรรมสาธยายธรรมโสดมอนเชตก็ตั้งใจฟังธรรมในรอบสี่ส่บปัวปีเอหลวงพ่อเทียนจะพูดอะไรน้อวันนี้น้อเราก็ลำดับจากตัวเราปฏิบัติเป็นยังไง <c oughs> มันมีมันมีมิตเตอร์ในตัวเราเพื่อวัด กับคำพูดที่หลวงพ่อเทียน ส, นสอนจึงใดมิตเตอร์ไม่ขึ้นไม่ตีไม่กระดูกแสดงว่าเราไม่รู้จึงใดที่มันมิตเตอร์มันขึ้นมามันรู้รู้ไปได้ว่าเรารู้จักเหมือนเอามิตเตอร์ไปวัดทานทานไปที่ยางอยเมื่อมิตเตอร์ไปแตะเข้าเข็มมิตเตอร์ก็ตีขึ้นปั๊บเออยางอยู่ น้าฐานอันใดที่หมดไปไปหมดไปอามิเตอร์ไปเจาไม่ขึ้นจะว่างว่ามันไม่มีชีวิตของเราก็เช่นกันในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติสมัยต้นๆของการศึกษากับมาฐานเนี่ยได้ออกตัวเองเป็นเจนชี้วัดกับตำเทศนาของ่ากุอาจยาน แล้วเจนตัวเองเป็นชีวัตของคุณภาพของเราว่ามันเป็นเช่นไรแลร้วเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยชินชามันจะเกิดอะไรขึ้นนานๆได้ไปสวดมนต์ที่บ้านข้างหนังมันไม่เหมือนอยู่วัดมันเป็นอย่างไงเราก็รู้ตัวเรา ว่าเป็นอย่างไรพยายามพิวัพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างนี้ไปอยู่สำนักสวนมูกก็พยายามถามอาจารย์จะแสดงธรรมที่ไหนวันนี้ในราไดาไป ส, สนใจหน้าตัวเองไม่รู้ข้อมูลก็ไปถามเพื่อนอาจารย์พุทธาสจะแสดงธรรมไหมวันเน่ เชิก็บอกว่าวันนี้ไปที่โรงเรียนบางวันก็บอกว่าที่หินโก ง, งบางมันก็บอกว่าที่โคขาทองบางมันก็บอกว่าที่เหลือบางวันก็บอกว่าที่หัาศพทางวิญญาณอาจารย์พูทธธ้ท่านมักจะเปลี่ยนที่เรื่อยในการแสดงธรรม พวกเราก็ต้องติดตามตลอดเวลาคือไม่เบื่อหน่ายการฟังธรรมยาเมื่อหนู้ดใดเบื่อหน่ายต่อคำสั่งคำสอนไม่เจริญเป็นความเสื่อมดาอกมุ่นคุณคิดไปในทางอื่ น, พนเพืิดเพลินในกรารมคุฎโดยเสียนอยากลูกรถขินเสียงเห็นชาวโลกกระทำอะไรก็ ไหลไปก็าตามกับเขาเห็นเจ็บปากแก่ท้องทนกวามบาอยากไม่ได้เปาบางหง้วนงดหน่อยอะไรที่มันเกิดึ้นกับเราเปาบางเกินไปไม่ค่อยดีนี่เหล่านี้ผู้หวังความเจริญเจอตนอยาให้จิตา น, นี้มาย่ํายีได้ ดิวัตภาษาอยู่เสมอถ้าเรามาดูประวัติพทธเจ้าเราได้ทราบว่าคำสอนพทธเจ้าแปดเป็นสี่พันเรื่องในเวลาสี่สิบปีจะเป็นวันหนึ่งกี่ครั้งถ้าสงฆรร์ทำไมจึงจำได้ขนาดนั้นเช่นพออระอน น, นั์ <c oughs> หรือพระหลายลูกที่ไปฟังธรรมที่พทธเจ้าสงแสดง เป็นวันหนึ่งจะประมาณกี่ครั้งพระพุทธเจ้าอยู่ในชีวิตนับวดสี่สิบปีประเทศวันละครั้งจะมีหนึ่งหมื่นสองปันครั้งน้อยแรงอาจจะเป็นถึงห้าหกเจ็ดแปดครั้งวันหนึ่งพระสงฆ์ก็ต้องไปฟังทุกครัง้งทุกข่าวจึงจำได้มากเช่นว่าอนุนจำได้หมด แต่งว่าไปฟังทุกครั้งที่พู้เจ้าแถลงธรรมไม่เบื่อน่อยนี่ลองดูซิมาเปรียบเทียบกับเราอยู่เวลาเนี้ยอะไรที่มันบกพร่องเราก็พยายามประวัติศาสตร์มีอยู่อย่างนี้แบบอย่างม่อยู่อย่างนี้ไรผิดไรถูกพระ อ, องค์ก็ขี้ไปทั้งหมดแล้วเฉือนหนกหมดชิ้นแล้วส่วนชีเรียวเฉือนหนกหมดแล้ว ส่วนไหนที่เป็นถิ่งที่ปิดเปิดออกแล้วส่วนไหนเป็นงอง้วยควมหายขึ้นแล้วนี่คือคำสอนเราจึงต้องดูตัวเองให้ดีๆนะใครๆก็รู้แล้วว่าอะไรก็รู้ว่าจิตเป็นหนายกายเป็นเบาเราใส่ใจเรื่องนี้แค่ไหนเพียงารใส่ใจเรื่องกายเลย ส่วนจิตใจปล่อยเที่ยงเพื่อหมกพูนคนคิดไปมันก็ไปไม่ได้เพราะมันเป็นใหญ่จริงๆริงจิตเนี่ยมีสิ่งเดียวที่ําให้ทันจิตได้คือสติเท่านั้นเองมีสติเท่านั้นที่ไปทันจิตไม่มีใครที่ตอบให้เราได้นอกจากเรามีสติดูเห็นมันต้องฝึกสติเนี่ยประเทศทั่วโลกปรึกษากันแล้วว่า สุขภาพของคนในโลกจะต้องทำยังไงแล้วมีหลายประเทศประชุมกันที่ทีรต่างกาัน <c oughs> ได้ยินหลายอนเขียนหนังสือพิมพ์ว่าอย่างนั้นมีความเห็นตรงกันแล้วว่าต้องเอาจิตเป็นสุขภาพดีท่วนหน้าไม่ใช่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวคิดด้วย แต่ภาพที่จิตมันเจรฝึกได้มันฝึกได้ต้องมีสติเนี่ยถูกต้องแล้วที่เรามาศึกษาเรื่องสติเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยเป็นของที่หลงตัวปฏิเสธไม่ได้เราอย่าหลงเลสงสัยนะให้ตั้งใจฝึกสติให้ดีๆอะไรที่มันหลงให้รู้ทุกข้อ ง, ท, งทุกข่าวสุขทุกรู้ทุกข้องทุกข่าว โดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาเปิดตัวเปิดกายเปิดใจออกมาให้เห็นมันเกิดอะไรขึ้นให้เห็นเห็นกันดีความชั่วจะกลายยังไงเห็นความดีความชัวยย่วจะกีดจังางสติเท่านั้นที่จะไปเห็นเรื่องนี้เข้าอย่าหากคำตอบเรื่องอื่นเหตุผลอื่นนู่นชอบเราจึงฝึกกรรมฐานเนี่ยให้มาก มีสติเท่านั้นลงตัวแล้วว่าต้องฝึกสติในประเทศทั่วโลกยอมรับบ้านฝึกสตินี่มาอยู่ที่ไหนวิชาของคุธศาส์ศาสนาเท่านั้นทุกเจ้าสองสอนไว้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้แล้วเอาว่าเป็นการที่ลอยเท่าของชาตลงตรงนี้ทั้งหมดลอยใหญ่กว่าลอยเท่าทั้งหลาย ในคำสอนแต่ละศาสดาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันต้องมาลงอยู่ที่การมีสติดังนั้นพึกดีก็คือวิชากรรมฐ า, านดังที่เราได้ทำอยู่เวลานี่ไม่ต้องอะไรสงสัยจึงไม่เบื่อหน่ยายใครฉันมันต้องเป็นมืออาชีพสักหน่อยตึกตนสอนตนไม่ใช่ว่า รุมลายคมดีอย่างนั้นไม่ได้อยากไปไหนก็ไปตามความคิดตามอารมณ์ไม่ใชดัดแปลงดัดกายดัดใจตนเรงว่าไม่ควรคิดจะไปคิดไม่ควรพูดจะพูดไม่ควรเหตุก็ไม่ต้องเห็นมา อ, อยู่นี่มีสติร้อยเปเซนในเรื่องนี้ให้สิทธิกันแล้วกันอย่าเรียกร้องอะไรจากกันไปบินทบากก็อุ้มกวดมาเองไม่ต้องใ้ใครรับ สองข้อเทียนสวนพวกเราอย่างนี้ถ้าใครให้เน้นล้า บ, บาตรจะแปลว่าไม่ดีไมใช่เขาทํำมาเขาก็มีสิทธิของเขาเราต้องเขา้าใจงให้ได้ล้งถ้วยร้างฌามล้างบาตรล้างเองอย่างนี้เขาก็ถูกสอนมาแบบเนี้ยการทำอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตของเรานะ่ะไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเราเป็นนักกัญกันทําอยู่แล้ว นี่เวลานี่จะอาศัยคนอื่นก็ยิ่งไม่ไม่ได้แน่นอนเช่นหลงตาเนี่ยก็หมดสภาพจริงๆในเสียงก็ดีหูก็ดีเดี่ยวแรงก็ก็ดีนะแล้วก็จะอาศัยไ่ไลาอย่าอาศัยพ่อแม่หรือไม่ได้บ้องตนเท่านั้นเป็นทีพึ่งของตนเอง แ, แม่ที่มีลูกลูกหลังๆก็ไม่ได้จะไปเพ่งลูกเุ่งเต่าไม่ได้ตัวใครตัวมันเก็บคนเดียวตายคนเดียวแกอคนเดียวสุขทุกคนเดียวไม่มีใครต้องการเราเป็นสุขเป็นทุกได้นอกสากเราเองเราเนี่ยจะริขิทิวตของเราอยู่เนี่ยสิทธิร้อยเปอรเซนอย่าทะเลาะกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าเอาเปรีปยบ เ, เ, เอาเรียบกัน อยใ้ใครมาตกเป็นชาติของเราเพื่อนแต่ว่าเขาสมัครใจเขาต้องมีไม่ขาดล่างใจเถากันแล้วกันพวกเราอยู่ที่นี้นะให้เป็นสารที่ยึดแข่งหนึ่งในโลกในประเทศไท ย, นยในประเทศไในโลกอะให้เป็นการปลดปล่อยชีวิตซึ่งกันและกันให้ได้อย่าเบียดเบียนอย่าทะเลาะว่ากันเห็นเพื่อนเคยเจ็บใ จ, จด้วยกันโต อ, อยู่กันหน้าก็อยู่กันต่อ ่าเรียกลองอะไรมากมาย ม, มีอะไรเดือดร้อนก็บอกบอกันพอจะช่วยกันได้ช่ช่วยกันอย่าเผยเพิเฉยเลยละ mm hmm. นี่ก็คือหน้าที่ของพวกเรา mm hmm. เป็นยาหม้ใหญ่ไม่ต้องไปกินก็ได้ยาหม้อใหญ่เพียงแต่อยู่ให้การเห็นกอน็อื่นใจอิ่มใจสุขใจแล้ว ไม่ใช่มีความรักษาโรคใด้เพราะยาที่ฉีดลงไปที่กินลงไปอาจจะเป็นสังคมอาจจะเป็นสิ่งแวดลอ้อมหลายๆอย่างไม่มีสารพิษไม่มีเคมีไม่มีอะไรถ้าจ่วันช่วยกันช่วยช่วยกอย่าอย่าทำให้เสียหายรักษาช่วยกันในสิ่งแวดลอ้อมเดี๋ยวนี้ โลกก็อยู่ในเขตอันตรายต่างรับประเทศก็หันมาดูสิ่งวดล้อมกันต่างนั้นมันต้องต้นต้นจากเราตั้งต้นจากเราทุกคนงนืหนึ่งจากตัวเราเนี่ยเราจึงควรที่จะมีไฟในเรื่องนี้ อย่าให้เย็นได้อย่าเอาอายุมาอวดมาอ้างอย่าเอาเพศไปมาอวดว่าปล่อยในความสำนึกในเรื่องนี้ต้องเก่ต้องเก็บต้องตายแน่นอนเราจะยอมจำนวนล่องให้กับสิ่งเหล่านี้ได้ยงไงมีผู้ออกชนะมาแล้วแปด0มื 80, 000, อนสองพันห้าร้อยห้าสิบ เก้าห้ารสองฟันห้ารอยเก้าสิบกว่าปีมาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้น ะ, ะ่มีมาแล้วเราจะเอาอย่างใครคนดีทำไมแล้วอไม่ไม่เอาเป็นตัวอย่างทำไมไปเอาตัวอย่างคนเ็วสรามนะเ ป, นเป็นเรื่องชีวิตของมนุษย์เรื่องนี้ เกี่ยวกับเสียงทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจุภาพจะดีทำไง า, ยาพยายามที่สุดเกี่ยวกับหลายๆอย่างาไปหาเพิ่งแต่คนเด่นตั้งทต้จากเราก่อนตอนนี่นะมีเสียงไหมหน่อได้ยินไหม <laughs> อาจารย์สมใจก็เพลงมาอาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์สันศิลนะ พยัยเชียงใหมย่ยังน่งอยู่เลยตาก็จากท่านมาแต่ไมื่อก่อนก็ลงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ไปหาอาจารย์สมใจไม่ได้แล้วนะนับวันจะถดถอยลงก็หลังจะาหารี่ตายที่ไหน <c oughs> <c oughs> คนแล้วเท่าเจมาแล้วไปดูผู้หลงก็หมาวันก็ ถ้าเราก็อยู่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราคนเดียวอีกหลายคนจะต้องดูแลเราอ <c oughs> <c oughs> เองคนที่เมตตาสงสารนะถ้าเรอยู่คนเดียวได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันต้องพึ่งพาชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรตามตัวให้เขาดังง่ายโดยที่ไหนทำคนเดือดร้อนก็อยากไป อยู่นี่พรอยู่ได้ด้วยได้ไหมนะไม่เบื่อายกันเนาะไม่เพียนเนาะฮะไม่เบื่อหน่ายกันเนาะอกนอจะเบื่อายก็เป็นไรจะร้องไา้ไม่เบื่อหน่ายใคนะอ๋ะะอเจ้ น, นี้ก่อนนะวันนี่เนาะมีอะไรไหมกลับพรพ่างกัน